อนุสติข้อที่ห้าจารคานุสติกถาวิธีเจริญจารคานุสติกรรมฐานอัญโยคีบุคคลผู้มีความประสงค์เพื่อจะเจริญจารคานุสติกรรมฐานพึงเป็นผู้น้อมใจไปในการบริจาคเป็นปกติมีทานและการแบ่งปันดำเนินไปอยู่เป็นประจำและหรือ เมื่อจะเริ่มภาวนาพึงทำการสมทานไว้ว่าบัดนี้นับจำเดิมแต่นี้ครั้นปฏิคาหกมีอยู่ยังมิได้ให้ทานแม้อย่างน้อยเพียงคําข้าวคําหนึ่งแล้วเราจะไม่ยอมบริโภคครั้นแล้วพึงให้ทานตามสัตติตามกำลังในปฏิคาหกผู้ประเสริฐโดยคุณทั้งหลายในวันนั้น ถือเอานิมิตในฐานนั้นแล้วไปในที่ลับหลีกเร้นอยู่ณเสนาสนะอันสมควรพึงระลึกเนือ ง, งถึงการบริจาคของตนโดยสามารถแห่งคุณมีความเป็นผู้ปราศจากมนทินและความตรณีเป็นต้นอย่างนี้ว่าในเมื่อประชาชนถูกความตรณีและมนทินครอบงำอยู่การที่เราเป็นผู้มีใจปราศจากมนทินและความตรนีอยู่ เป็นผู้มีการเสียสละอย่างเด็ดขาดเป็นผู้มีมืออันสะอาดเป็นผู้ยินดีในการเสียสละเป็นผู้ควรในการขอเป็นผู้ยินดีในทานและการแบ่งปันนั้นนับว่าเป็นราบของเราหนอเราได้ดีแล้วหนอชะนี้อธิบายคุณลักษณะของการบริจาค ในบรรดาคําเหล่านั้นคําว่าลาภาวัตเมแปลว่าเป็นลาบของเราหนออธิบายว่าลาบทั้งหลายของทายกเหล่านี้ใดที่พระผู้มีพระภาคทรงสรรเสริญไว้โดยในยาทั้งหลายมีอาธิอย่างนี้คือก็แลทายกครั้นให้อายุเป็นทานแล้วย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งอายุอันเป็นทิพย์หรือเป็นของมนุษย์ ดังนี้อย่างหนึ่งคือทายกให้ทานย่อมเป็นที่รักคนทั้งหลายเป็นอันมากชอบคบเขาดังนี้อย่างหนึ่งคือเมื่อทายกดําเนินตามธรรมะของสัตบุรุษทั้งหลายให้ทานอยู่ย่อมเป็นที่รักดังนี้อย่างหนึ่งลาบเหล่านั้นเป็นส่วนของเราโดยแน่แท้คําว่า สุลัดทางวัตเมแปลว่าเราได้ดีแล้วหนออธิบายว่าคำสั่งสอนหรือความเป็นมนุษย์ที่เราได้แล้วนี้อันใดสิ่งนั้นเป็นอันเราได้ดีแล้วหนอเพราะเหตุไรเพราะเหตุที่ในเมื่อประชาชนถูกความตรนีและมนทินครอบงมอยู่เรานั้นเป็นผู้มีใจปราศจากมนทินและความตรรีอยู่ เป็นผู้มีการสละอย่างเด็ดขาดเป็นผู้มีมืออันสะอาดเป็นผู้ยินดีในการเสียสละเป็นผู้ยินดีในการขอเป็นผู้ยินดีในทานและการแบ่งปันในคำเหล่านั้นคำว่าถูกความตระณีและมนทินครอบงำคือถูกความตระณีและมนทินครอบครองสัตว์ทั้งหลายเรียกว่า ปั ช, ชาด้วยอำนาจที่บังเกิดมาด้วยกรรมเพราะเหตุนั้นความหมายในบทว่าปัจชายะดังนี้คือในสัตว์ทั้งหลายผู้อันความตรณีและมนถินอย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาธรรมะดำทั้งหลายอันประทุสร้ายความผุดผ่องของจิตซึ่งมีลักษณะกีดกันความเป็นสาธารณะแก่ผู้อื่นแห่งสมบัติของตนครอบงำแล้ว คำว่าปราศจากมนทินและความตรณีความว่าชื่อว่าปราศจากมนทินและความตรณีเพราะเหตุที่มนทินทั้งหลายมีราคะและโทสะเป็นต้นแม้อื่นๆและความตรณีปราดไปแล้วคำว่าเป็นผู้มีจิตอยู่ความว่า เป็นผู้มีจิตอันมีประการตามที่กล่าวแล้วอยู่ส่วนในพระสูตรทั้งหลายตรัสว่าเราอยู่กรองเรือนชันนี้ก็เพราะทรงแสดงโดยทํานองแห่งธรรมะเป็นเครื่องอยู่อาศัยในเมื่อเจ้ามหานามสักยะผู้โสดาบันกราบทูลถามถึงธรรมะเป็นเครื่องอยู่อาศัยในคํานั้นมีอธิบายว่า เราอยู่ครอบงำอุปกิเลสคำว่าเป็นผู้มีการสละอย่างเด็ดขาดความว่าเป็นผู้มีการสละอย่างปล่อยเลยคำว่าเป็นผู้มีมืออันสะอาดความว่าเป็นผู้มีมืออันบริสุทธิ์อธิบายว่าเป็นผู้มีมืออันล้างแล้วอยู่ตลอดกาล เพื่อให้เครื่องทายธรรมเป็นทานด้วยมือของตนโดยความเคารพคำว่าเป็นผู้ยินดีในการเสียสละความว่าการสละให้เรียกว่าการเสียสละได้แก่บริจาคชื่อว่าเป็นผู้ยินดีในการเสียสละเพราะอัตถะว่าเป็นผู้ยินดีในการเสียสละนั้น ด้วยสามารถที่ประกอบอย่างติดต่อกันไปคำว่าเป็นผู้ควรในการขอความว่าชื่อว่าเป็นผู้ควรในการขอเพราะคนอื่นขอสิ่งใดๆก็ให้สิ่งนั้นๆปาะว่ายาชะโยโคก็มีความหมายว่าเป็นผู้ประกอบด้วยยาชะ กล่าวคือการบูชาคำว่าให้ทานกับคำว่าบูชาความหมายเหมือนกันบทว่ายาชโยโคที่แปลว่าผู้ประกอบด้วยการบูชาก็คือผู้ประกอบด้วยทานหมายความว่าประกอบอยู่กับทานในการทุกเมื่อคำว่า เป็นผู้ยินดีในทานและการแบ่งปันความว่าเป็นผู้ยินดีในทานด้วยเป็นผู้ยินดีในการแบ่งปันด้วยอธิบายว่าโยคีบุคคลย่อมระลึกเนืองๆอย่างนี้ว่าเราหลายย่อมให้ทานด้วยย่อมทําการแบ่งปันแม้จากสิ่งที่ตนจะพึงบริโภคด้วยเป็นผู้ยินดีในทานและการแบ่งปันทั้งสองนี้ด้วยนั่นเทียว องชานห้าเกิดเมื่อโยคีบุคคลนั้นระลึกอยู่เนืองๆถึงการบริจาคของตนด้วยอำนาจแห่งคุณมีความเป็นผู้มีใจปราศจากมนทินและความตริยเป็นต้นอย่างนี้สมัยนั้นจิตของเธอก็จะไม่ถูกราคะรบกวนจะไม่ถูกโทสะรบกวนจะไม่ถูกโมหะรบกวนสมัยนั้นจิตของเธอ ก็จะปรารบตรงดิ่งถึงการบริจาคด้วยประการชนนี้องชานทั้งหลายย่อมเกิดขึ้นแก่เธอผู้ข่มนิวรได้แล้วในขณะเดียวกันโดยในยะก่อนนั่นแหลแต่โดยเหตุที่คุณแห่งการบริจาคทั้งหลายเป็นสภาพล้ำลึกอย่างหนึ่งโดยเหตุที่โยคีบุคคลน้อมจิตไปในอนันระลึกถึงคุณ แห่งการบริจาคอย่างนานาประการอย่างหนึ่งชาญจึงไม่ขึ้นถึงขั้นอัปปนาขึ้นถึงเพียงขั้นอุปจาระเท่านั้นชาญนี้นั้นย่อมถึงซึ่งอันนับว่าจากคานุสติชาญเพราะเหตุที่บังเกิดด้วยอำนาจการระลึกถึงคุณแห่งการบริจาคนั่นแหละ อ น, นิสงการเจริญจ า, ารคานุสติกรรมฐานก็แลภิสษุโยคีบุคคลผู้ประกอบหนึ่งเนืองอยู่ซึ่งจ า, ารคานุสติกรรมฐานย่อมเป็นผู้น้อมจิตไปในการบริจาคโดยประมาณยิ่งเป็นผู้มีอัจฉาใยไม่โลกเป็นผู้มีปกติกระทําอันสมควรแก่เมตตาภาวนา เป็นผู้องค์อาจกล้าวกล้าเป็นผู้มากล้นไปด้วยปีติและปราโมชก็แลเมื่อไม่อาจแทงตลอดซึ่งคุณนวิเศษยิ่งยิ่งขึ้นไปในชาตินี้ก็จะเป็นผู้มีสุขติเป็นที่ไปในเบื้องหน้าเพราะเหตุฉะนั้นแลโยคา ว, วาจรบุคคลผู้มีปัญญาดี พึงบำเพ็ญความไม่ประมาทในจาคานุสติภาวนาซึ่งมีอนุภาพอันยิ่งใหญ่ดังพันานามานี้ในการทุกเมื่อเทินกฐามุกพิสดารในจาคานุสติกรรมฐานยุติลงเพียงเท่านี้